จเจออริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หกรกฎาคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทำลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ยึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างบา ร, รมีเพราะเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนว่าคนเาวานั้นแตกต่างกันด้วยบุญด้วยบา ร, รมีสูงต่ำดำขาวดีชั่วรวยจนนี่เป็นผลที่เกิดจากการ สร้างบารมีมากน้อยต่างกันไปพวกเราทุกคนจึงมีสถานภาพไม่เท่าเทียมกันถึงแม้ว่าจะเกิดจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่ใจของเราที่สะสมบุญบารมีนี้ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่มาจากชาติก่อนเหมือนกับชาตินี้ ต่อไปร่างกายเราตายไปใจเราก็จะไปเกิดใหม่เอาบุญบารมีที่เราได้ทำติดตัวไปมากน้อยถ้ามีมากก็จะได้ความสุขความเจริญมากถ้ามีน้อยก็ได้ความสุขความเจริญน้อยตัวอย่างของผู้ที่มีบุญมีบารมีมากก็คือพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกพระอริยสงสารกแล้วก็พระราชามาหากษัตริย์มมหาจากักรพรรดิมาหาเศรษฐีบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่สร้างบุญบารมีมามากเวลาไปเกิดจึงมักจะเกิดดีส่วนบุคคลที่สร้างบุญบารมีน้อยก็ตัวอย่างก็คือ พวกที่ไปติดคุกติดตารางพวกไปเป็นขอทานข้างถนนพวกที่เป็นคนเสียสติพิกคนพิกาเหล่านี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่สร้างบุญสร้างบา ร, รมีกันส่วนพวกเหล่านี้ก็อยู่ตรงกลางคือสร้างบ้างไม่สร้างบ้างเวลาขยันก็สร้างเวลาขี้เกียจก็ไม่สร้าง เวลาที่เกียจก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันเวลาขยันก็มาวัดมาทำบุญทำทานมาสร้างบารมีกันพวกเราจึงเป็นแบบกลางๆไม่สูงมากไม่ต่ำมากถ้าอยากจะสูมกว่านี้ต้องสร้างบุญสร้างบารมีให้มากกว่านี้อย่างวันนี้ท่านก็มาสร้าง บ, บารมีกันมาเติมบุญกัน ถ้าทำมากต่อไปพบหน้าชาติหน้าจะดีกว่าชาตินี้อย่างแน่นอนอย่างพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระเวชสันดรก็ทรงสร้างทานบา ร, รมีอย่างมากมีอะไรพร้อมที่สละท่านไม่เดือดร้อนท่านไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าปัจจัยสี่ที่ทำให้ท่าน อยู่ได้ท่านก็พอใจแล้วมีสมบัติมีข้าวของมีเงินมีทองมีอะไรใครอยากได้ท่านก็ให้ไปพอตายไปก็ได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชกุมารมีทรัพย์สมบัติมีประสาทสามฤ ด, ดูมีบริสัทมีบริวารคอยห้อมร้อมคอยดูแลคอยรับใจ อันนี้เป็นเรื่องของบุญบารมีที่ได้สร้างกันเอาไว้จำงน้นถ้าพวกเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าตอนนี้เราก็ต้องมาหัดเป็นพระเวชสันดรกันก่อนต้องเสียสละต้องแบ่งปันสร้างทานบารมีทานไปว่าการให้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยการให้ข้าวของเงินทอง ด้วยการให้ความรู้ด้วยการให้ธรรมะอันนี้เป็นการให้เรามีอะไรเราก็ให้ถ้าไม่มีจะให้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องดิ้นรนเช่นคนบางคนคิดว่าต้องทำทานมากๆถึงจะร่ำจะรวยแต่ถ้าไม่มีเงินทองก็ต้องไปขอยืมเงินคนมาทำบุญทำทาน หรือไปหาเงินหาทองเพื่อมาทำบุญทาทานอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการสร้างบารมีเป็นการสร้างความวุ่นวายให้แก่ตนเองและอาจจะไปทำบาปทำกรรมเพราะอยากจะได้เงินมากๆเพื่อมาทำบุญก็อาจจะไปโกหกหลอกลวงอาจจะไปช่อกโก้ทำอย่างนี้แทนที่จะได้กับขาดทุน ่าได้ทานบารมีแต่เสียศีลบารมีศีลบารมีนี่สูงกว่าทานบารมีดังนั้นเราต้องระมัดระวังถ้าเราไม่มีเงินทาบุญทาทานก็ไม่ต้องทาให้อย่างอื่นก็ได้เช่นเรามีวิชาความรู้เราให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นสอนผู้อื่นโดยไม่คิดสตางอย่างนี้ก็เป็นการ ทำทานสร้างทานบรารมีเหมือนกันหรือเรามีธรรมะเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บารู้นรกรู้สวรรค์เราก็สอนคนอื่นเราก็จะได้ธรรมทานนี่คือบรารมีข้อที่หนึ่งคือทานบรารมีข้อที่สองเราควรจะทาก็คือศีลบรารมี ถ้าเราไม่มีเงินมีทองจะทําเรื่องทานบา ร, รมีเราก็มาทําที่ศีลบา ร, รมีก็ได้ศีลบา ร, รมีนี้มีคุณประโยชน์กว่าเพราะศีลบา ร, รมีนี้จะทําให้เราไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ใหมศีลบา ร, รมีก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดตัวเอีการไม่พูดเปิดการไม่เสพสุรายาเมานี่คือศีลบารมีรักษาได้แล้วจะปิดประตูอบายได้อบายจะไม่มาหาเราอย่างแน่นอนเหมือนกับคนที่เคารพกฎหมายไม่ทำผิดกฎหมายคุกตารางก็จะไม่มาหาเราแต่ถ้าเราทำผิดกฎหมาย เดี๋ยวคุกตารางก็จะมาหาเราดัง น, นั้นขอให้เราพยายามสร้างศีลบารมีกันเพื่อที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันหรือไปเกิดเป็นเทวดาก่อนแล้ว young, ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือดีกว่าที่ไปเป็นเปรตไปตกนรกก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะผู้ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จากที่ต่าจะเกิดมาแบบอาภัพวาสนาอาภัพบารมีจะมาเกิดเป็นคนยากจนเป็นขอทานจะเป็นคนพิกลพิการอาการไม่ครบ32มีสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงมีโรคภัย ไ, ไข้เจ็บเบียดเบีย น, ยนมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม นี่เป็นอนิสงค์ของการไม่รักษาศีลการไม่สร้างศีลบารลีเวลาตายไปต้องไปใช้กรรมในอบายพอหมดกรรมแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ได้วาสนาบาลีดังนั้นขอให้เราพยายามสร้างศีลบาลีกันรักษาศีลให้ได้ทุกวันอย่ารักษาแต่เฉพาะ วันพระวันเดียวเพราะว่ามันจะไม่พอต้องมันรักษากันทุกวันนอกจากว่าเราเพิ่มเริ่มหันรักษาอาจจะไม่มีกําลังรักษาได้ทุกวันก็เอาวันพระเป็นวันเริ่มต้นก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นสองวันสามวันสี่วันห้าวันไปจนครบเจดวัน แล้วต่อไปเราก็จะรักษาได้ทุกวันนี่คือศีลบารรมีบารรมีข้อที่สาก็คือเนคข ม, มะบารรมีเนคข ม, มะแปลว่าหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่จ ะ, จะเจริญเนคข ม, มะบารรมีก็คือผู้ที่มาถือศีลแปนี่พวกที่หุบนุ่งขาวห่วมขาวนี้ เรียกว่ากำลังมาเจริญในขัมมกบาณีหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกติ้นกายแล้วหันมาหาความสุขทางใจคือทำใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญสติวัิยกรรม พ, พุทโธไปเรื่อยๆแนวจิตก็จะสงบสินแต่ก็ต้องรักษา เช็นสิลข้อสามก็เปลี่ยนเป็นปรงม จ, จริยาคือไม่ร่วมหลับนอนกับใครแม้แต่คู่ครองของตนก็เสียเวลาถ้าร่วมหลับนอนกันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาสวมดมนต์ไหว้พระแล้วก็ต้องไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานพออยู่ได้ก็พอพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง จะรับประทานเพื่อความสุขแล้วก็ไม่หาความสุขจากพวกหมหโระทบันเทิงต่างๆไม่ออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงตามสถานเที่ยท่องเที่ยวต่างๆจะไปอยู่สถานที่สงบตามวัดตามวาเพื่อจะได้ทําใจให้สงบเพราะความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่ ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูไปฟังไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทานนี่คือเนกขัมมาบารมีผู้ที่เจริญเนกขัมมาบารมีได้เวลาตายไปจะได้ไปถึงสวรรค์ชั้นโผล่แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาบำเพ็ญมาเป็นนัก บ, บวชเพื่อที่จะได้เจริญ บารมีที่ยังไม่จะเจริญต่อไปบารมีข้อต่อไปที่ไม่ได้เจริญก็คืออุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือทำใจให้เป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงความรักความชังความกลัวความหลงนี้จะทำให้เราวุ่นวายใจจะทำให้เราทุกข์ใจกันถ้าเราไม่มีความรักความชังความกลัวความหลง ใจเราจะเย็นจะสบายไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าเรามีความรับความชังความกลัวความหลงนี้พอไปสัมผัสกับเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะเกิดความรับเกิดความชังเกิดความกลัวเกิดความหลงขึ้นมาแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแล้วก็จะไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่อไป ดังนั้นเราต้องมาฝึกสร้างอุเบกขาบารมีวิธีที่จะทำให้เกิดอุเบกขาบารมีก็คือการนั่งสมาธินี่เองทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจก็จะเป็นกลางเป็นอุเบกขาจะไม่หิวไม่อยากไม่ยินดียินร่านกับอะไรไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนอยู่แบบขอทานได้อย่างสบาย ไปติดคุกติดระติดตารางก็ไม่เดือดร้อนอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อากาศจะหนาจะรอ้อนจะเย็นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจไม่มีปฏิกิริยากับเหตุการณ์ต่างๆใจตั้งอยู่ในอุเบกขานี่คืออุเบกขาบารมีข้อต่อไปก็คือปัญญาบารมีปัญญาบารมีก็คือความฉลาด ที่จะมาแก้ความหลงที่หลอกให้เราไปหาความทุกข์กันทุกวันนี้ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราหลงหลงไปหาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขแต่สิ่งที่เป็นความสุขกับกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา mm hmm. เช่นหลงคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขพอไปมีแฟนแล้วก็ต้องมาทุกข์กับแฟนเวลาแฟนไม่ไม่ชอบเวลาแฟนไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์ เวลาแฟนไม่เอาใจเราเราก็ทุกข์เวลาแฟนหายไปเราก็ทุกข์นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการไปหาสิ่งต่างๆเพราะเราหลงคิดว่าเป็นความสุขกันความจริงเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราได้มามันไม่ถาวรไม่อยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็หมดไป เวลาเปลี่ยนไปก็เสียใจทุกข์ใจเวลาหมดไปก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีก็ไม่ต้องมาเสียใจไม่ต้องมาทุกข์ใจไม่มีแฟนก็ไม่ต้องทุกข์กับแฟนไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์กับลูกไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็ไม่ต้องทุกข์กับทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองวิธีที่จะทำให้พวกเราหายหลง ก็ต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นทุกข์เพราะมันไม่เทีย่ยงเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราเป็นเหมือนของไปยืมเขามายืมเขามาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องคืนเข้าไปได้อะไรมาเวลาตายไปก็ต้องคืนเข้าไปหมดเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยและบางทีต้องคืนก่อนที่ตายด้วยซ้ําไปเวลาเสียคนที่เรารักไปนี่จะทุกข์มาก เวลาเสียสิ่งที่เรารักไปจะทุกมากเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะรักษาเก็บไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดดังนั้นอย่าไปอยากมีอะไรแล้วจะอยู่อย่างสบายอยู่แบบพระอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันตสาวกท่านไม่มีอะไรแต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่าพวกเราที่มีอะไรมากมายกายกอง เพราะพวกเราหลงคิดว่ามีแล้วจะมีความสุขพระพุทธเจ้าไม่หลงท่านรู้แล้วว่ามีแล้วจะต้องมีความทุกข์ท่านจึงไม่มีอะไรนี่คือปัญญาต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นความสุขกรองสุขเดียวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์บรารมีข้อต่อมาก็คือเมตตาบรารมี เมตตาก็คือความปรารถนาดีมีไมตรีจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเดรัจฉานท่านสอนให้แผ่เมตตาให้ความปรารถนาดีคือไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายใครใครจะทำอะไรเราเราจะไม่ตอบโต้เราจะให้อภัยใครตา ว่าจะอะไรเราเราจะไม่ตอบโต้ใครจะด่าเราเราจะไม่ด่ากลับเรามีแต่จะให้ความสุขกับเขามีอะไรเราแบ่งปันให้เขาได้เราก็ยินดีที่จะแบ่งปันกันนี่คือเมตตาบาลีมีเมตตาแล้วจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้าย เวลาตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติไม่ต้องไปเกิดในอบายนี่คือเมตตาบรารมีข้อต่อมาก็คืออธิษฐานบรารมีอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจไม่ได้แปลว่า ข, ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาเราอธิษฐานนี้เราตั้งใจอย่างวันนี้เราจะมาวัดเราต้องตั้งใจก่อน ถ้าเราไม่ตั้งใจเราจะไม่ได้มาเราอาจจะนอนต่อเตื่นขึ้นมาไม่รู้จะทําอะไรดีก็นอนต่อเพราะไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาวัด น, นั่นเองการจะสร้างบารมีต่างๆด้านนี้ต้องมีอธิษฐานบารมีเป็นตัวผลักดันเราต้องตั้งใจว่าเกิดมาชาตินี้จะขอสร้างบารมีต่างๆให้เหมือนกับพระพุทธเจา้านี่คืออธิษฐานบารมี พราเมื่อเราตั้งแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างแต่การที่เราตั้งเฉยๆถ้าเราไม่มีสัจจะบา ร, รมีเราก็อาจจะไม่ทำตามที่เราตั้งใจไว้ก็ได้สัจจะแปลว่าความซื่อตรงซื่อสัตย์หรือความจริงใจเราตั้งใจว่าจะทำอะไรถ้าเราไม่มีสัจจะเราอาจจะล้มเลิกได้ เช่นวันนี้ตั้งใจจะมาวัดพอตื่นขึ้นมาก็ขี้เกียจอยากจะนอนต่อถ้าไม่มีสัจจะก็นอนต่ออย่างนี้เรียกว่าก็จะไม่สามารถทำตามสิ่งที่ต้องการจะทําได้ยังไม่ได้มาวัดมาสร้างบารมีต่างๆได้แต่ถ้ามีสัจจะพอตื่นขึ้นมาปับ๊บรู้ว่าวันนี้จะต้องมาวัดก็รีบลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวทันที แล้วก็ออกเดินทางมาที่วัดการจะเดินทางมาได้ก็ต้องมีวิริยบารมีความอุตสาหะพยายามนั่นเองถ้าไม่มีความพยายามออกมาจากบ้านเดี๋ยวเจอรถติดก็เปลี่ยนใจกลับบ้านดีกว่าหรือไปเจอปัญหาไปเจออุปสรรคอะไรบางอย่างก็จะอาจจะยกเลิกก็ได้แต่ถ้ามีวิริยะความพยายามความภาคเปลี่ยน พอเจออุปสรรคก็ไม่ท้อถอยไม่ย่อหยอนลุยต่อไปตั้งใจมาแล้วจะต้องทำให้ได้นะถ้าไม่มีความเพียรพยายามจะทำไม่ได้อย่างที่มีคำพูดที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะถ้าเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จไม่ว่าจะสร้างบารมีหรือกระทำอะไรก็ตามถ้าไม่มีความพยายามจะไม่สำเร็จ น, ะนี่คือ วิริยะบารมีและบาลมีข้อสุดท้ายก็คือขันติบารมีเวลาเพียรพยายามมันก็อาจจะต้องต้องใช้ความอดทนช่วยเหลือถ้าไม่มีความอดทนก็อาจจะเพียนไม่ไหวทําไม่ไหวดังนั้นเราต้องมีขันติบารมีเป็นผู้มาช่วยสนับสนุนอีกถ้าเรามี ขันติมีวิริยะบารามีมีสัจจะบารามีเวลาที่เราอธิษฐานจะทําอะไรเราจะสามารถทําได้อย่างแน่นาน่าทําได้จนสําเร็จด้วยอยู่ที่ขันติบาลมีอยู่ที่วิริยะบารามีอยู่ที่สัจจะบารามีดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นไปตามลําดับก็ให้เรามาตั้ง อธิษฐานบารมีกันว่าต่อไปนี้จะอุทิศชีวิตให้แก่การสร้างบารมีต่างๆแล้วก็ใช้สัจจะบารมีควบคุมไว้ว่าตั้งแล้วจะต้องทาใช้วิริยะบารมีเป็นตัวผลักดันใช้ขันติบารมีเป็นตัวช่วยสนับสนุนแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้สร้างทานบารมีกัน ได้สร้างสิงบารมีในธรมมบารมีโอเบคขาบารมีและปัญญาบารมีและเมตตาบารมีกันอย่างแน่นอนถ้าเราได้สร้างบารมีเหล่านี้แล้วอนาคตก็คือเราก็จะได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยสงสาวูหรือเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระมหาจากักรพรรด เป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนเพราะผลเหล่านี้เกิดจากเหตุก็คือบา ร, รมีทั้งสิบประการนี้เอ ง, งขอฝากเรื่องการมาสร้างบา ร, รมีให้ท่านได้นำเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณษษทศีรัตนใจและมูลกุศลที่ท่านได้มาบำเพล่งกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านไดแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนาสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเถอด